ที่นี้ประวัติประวัติของรประวัติของพระกะพรมเนี่ยเป็นอย่างไรได้ยินว่าพรมองนี้เนี่ยนะเป็นผู้เกิดในหอนหลังเมื่อยังไม่เกิดยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระกะพรมคนนี้เนี่ยนะก็ได้บวชเป็นฤาษีเรียกว่าเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็ทำกสิณบริกรรมทำให้เกิดสมาบัติไม่เสื่อมจากฌาน ปฏิบัติเนี่ยนะจนได้ฌานแล้วก็ไม่เสื่อมจากฌานแล้วก็ไปเกิดในพรหมชั้นเวหัภพละเนี่ยนะมีอายุห้าร้อยมหากับโอแสดงว่าเขาเกิดในพรหมโลกมานานเนี่ยห้าร้อยกับกัปแล้วนะเขาก็ไปเกิดในชั้นเวหภพละเนี่ยนะห้าร้อยกับด้วยฌานที่สี่เขาได้ฌานที่สี่นะได้ผ่านปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานไปถึงจตุทะฌานเขาก็อยู่ณนะพรหม เวหัพลานี่นะจนครบอายุร้อยห้าร้อกับพอเขาอยู่จนครบอายุ500อกับเขาก็เน้นเจริญ ต, ตัทยชาญเน้นเจริญจตัตยชาญอย่างประณีตก็มาเกิดในพรหมชั้นสุภกินหามีอายุ64กับในพรหมโลก น, นะนะจุติจากอายุ500อกับมาเกิดในอายุ64กับแล้วก็ทําชาญที่สองให้ได้ เจริญเน้นพิเศษคือชานที่สองแล้วก็กลับมาเกิดในชั้นอาภัสระมีอายุ8ปดกับเนี่ยนะพอเขาก็เน้นพิเศษคือเน้นเจริญชานที่1นึ่เขาก็มาเกิดในพรมชั้นมหาพรมเนี่ยนะมีอายุหนึ่งกับด้วยปฐมฌานก็แสดงว่าอดีตชาติเขาเป็นมนุษย์ใช่ไหมเขาเป็นมนุษย์ได้ฌานที่4ไปเกิดในชั้นเวหัปทะห้าร้อมหากลับแล้วก็ประเภทลดลงเนี่ยนะก็จาก500ร้กับก็ลด มันเน้นพิเศษเจริญตติยะชาญมาเกิดในชั้นสุภกินหาหกสกับแล้วก็ลดลงมาอีกเกิดในชั้นทุติยะชาญเป็นอภัสราเนี่ยแปดกับแล้วก็กลับมาเกิดในปฐมชาญอีกอายุหนึ่งมาหากับแสดงว่าพรหมคนนี้เขามีอายุผ่านมาแล้เท่าไหร่5้าร้อยเจ็ดสบสกับนะนะตั้งแต่อดีตเนี่ยนะอู้อยู่พรหมโลกจนลืมเหมือนกันเถอะห้าร้กับเนี่ยมันจะธรรมดานะมันมันนานมากจริงๆเลยแหละมันนานนานจนลืมแหละ่ามั้นกันเถอะ ในตอนแรกๆเนี่ยนะเขาก็ได้รู้อย่างทั่วถึงกรรมที่ได้สร้างและสถานที่ตอนเกิดตอนแรกๆเนี however, ่ยเขาก็นึกได้นะนึกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์มาเกิดในเวหาภะละอยู่500กับตายจากเวหาภะละมาเกิดในสุภกินหะหกกับตายจากสุภกินหามาเกิดในอภัสระอายุอีก8กับแล้วก็ตายจากเวหาภะละตายจากอภัสระมาเกิดในปฐมฌานมีอายุกับหนึ่งเนี่ยนะก็นานๆเข้ามันก็ลืมนะจำไม่ค่อยได้แล้วเลอะเลือนไปหมด เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาล่วงไปเขาก็ลืมทั้งสองอย่างจําได้อยู่ที่เดียวจําได้ที่ไหนจําได้ว่ามหาพรหมเนี่ยมันยั่งยืนมันเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับเขาว่าเธอเนี่ยนะไม่รู้ระลึกไม่ได้นะว่าฉันเนี่ยพึ่งตําแต่ไหนมาพึ่งต่าแต่ไหนก็คือพระพุทธเจ้าถามว่าระหวัง พระกะพร้มกับพระพุทธเจ้าใครรู้กันกนะพร้อมเนี่ยแค่ระลึกชาติกําเนิดตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะห้าร้อยเจ็สิบสองกับยังลืมเลยอย่างนั้นเหรอไทีนั้นพร้มก็บอกว่าพระโคโดมสมณะนะพระสมณะโคโดมท่านมารู้อายุท่านรู้ที่เกิดที่ฉันสร้างเอาไว้แต่ก่อนเอาละฉันจะถามถึงกรรมที่ฉันสร้างเอาไว้เมื่อก่อนกับเธอ นนะอยากจะรู้จริงๆหลายเล่าให้ฟังซิว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันทําอะไรมาคือคือเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ยั่งยืนมั่นคงแนง่นอนใช่ไหมแล้วมีมาบอกว่าคุณก็เคยเกิดนะเมื่อก่อนคุณก็ทํามาคุณได้มาเกิดที่นี้อะไรฉันไปทํากรรมอะไรมาเขาอบอกว่าเมื่อก่อนพรหมนี้ก็เกิดในเรือนแห่งตระกูลก็คือเป็นลูกของเศรษฐีนะเห็นโทษในการมทั้งหลายก็เลยคิดว่าฉันเนี่ยจะทําที่สุดให้พ้นจากความเกิดความแก่และความตาย ปรารถนาจะพ้นเกิดแก่ตายเนี่ยนะก็เลยบวชเป็นฤาษียังสมาบัติทั้งแปดให้เกิดเป็นผู้ได้ฌานมีอภิน ญ, ญารองรับแล้วก็สร้างโรงมุงบังด้วยใบไม้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาใช้เวลาให้ผ่านไปด้วยการยินดีในฌานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานวันเวลาก็อยู่กับฌานออกฌานนี่แหละทีนี้วีรกรรมพิเศษของของฤาษีคนนี้ผู้ได้ฌานเนี่ยนะที่สร้า ง, งคุณงามความดีในช่วงนั้นก็มีว่า ครั้งหนึ่งมีพ่อค้าประมาณห้าร้อยขับเกวียนเนี่ยนะพ่อค้าเกวียนห้าร้อยเนี่ยนะเล่มขับผ่านทะเลทรายมาก็แหละในทะเลทรายนั้นกลางวันเนี่ยจะไปไม่ได้ใครเดินทางกลางวันก็เดือดร้อนนะต้องเดินทางกลางคืนอย่างเดียวครั้งนั้นโคที่เทียมคู่เอกของเกวียนเล่มแรกเดินไปแล้วก็หัน กลับมาตามทางเดิมก็คือเดินแล้วเดินไม่รู้ตัวว่าเดินวกกลับมาหาที่เก่ากลายเป็นว่าเดินวงกลมหันเวียนไอเวียนเกวียนเนี่ยมันแล้วแต่เกวียนนําหน้าเกวียนนําหน้าพาไปตรงมันก็ไปตรงไอ้เกวียนนําหน้าพาโค้งกลับมาที่เก่าทําไงไอ้เกวียนหลังๆก็ตามกันมาพอสว่างจึงได้รู้ว่าอ้าวนี่มันที่เก่าเหมือนนนะนะครั้งนั้น ครั้งนั้นเนี่ยนะวันข้ามพ้นทะเลสายของพวกเขาก็ระ ว, ว่าพ้นแล้วก็เลยคิดว่าจบกันที่จริงเขาคิดว่าวันนี้เนี่ยเดินทางคืนนี้คืนเดียวคืนสุดท้ายก็จะข้ามทะเลสายได้แล้วทีนี้วนกลับมาอยู่ที่เก่ามันก็ข้ามไมา่พ้นพอข้ามไม่พ้นฟืนก็หมดน้ําก็หม ด, หมดทั้งนั้นคือทางไกลเนี่ยนะระบบบรรจุภาชนะน้ําไม่ใช่ว่าจะกินได้นานอะไรเพราะน้ำมันหมดแต่ทางมันยังไกลทําไงดี คราวนั้นคราวเนี้ยตายเนี่พวกเราตายเน่ยเหมือนกั น, น่ะแดดร้อนร้อนเนี่ยนะกลางทะเลทรายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก็เลยเอาโคเนี่ยผูกไว้ที่ล้อต่างคนก็ต่างนอนอยู่ใต้ร่มเกวียนนะผูกโคไว้แถวข้างๆล้อกเกวียนเนี่ยนะก็สมัยเออ น, นี่นึกเข้าใจอ่ะนะเข้าใจไหมยา่าเพราะสมัยก่อนก็ทําแบบนี้เหมือนกันก็ที่นอนก็ที่ไหนก็ใต้ท้องเกวียนนั่นแหละสบายดีเนี่ยนะเคยเห็นไหมพวกรถบรรทุกก็นอนที่ไหนใต้รองรถบรรทุกนั่นแหละ ทีนี้ฝ่ายดาบทเช้าขึ้นมาก็ออกจากบรรณศาลาก็ไปนั่งดูแม่น้ําคงคาที่ประตูบรรณศาลาก็มองเห็นแล้วก็เห็นพ่อคาเนี่ยเสร็จแล้วก็เห็นแม่น้ําคงคามีห่วงน้ําใหญ่เต็มไหลเหมือนกับแก้วมัีเคยก็เลยคิดตอบอีกว่าในโลกนี้เนี่ยมีบ้างไหมเนาะพวกที่ยังลําบากไม่มีน้ําอันอริดอร่อยขนาดนี้ดื่ม น, น้ํานี่ใสสะอาดทีแท้มีใครไหมที่ไม่มีไม่มีน้ําดื่มอดอยากยุ่งคลาย ขาดน้ําที่อร่อยเห็นปานี้มีหรือเปล่าแสดงว่าเขามีกรุณามากนะเขาดูว่ามีคนทุกข์มีคนยากมีคนลําบากอดอ ย, กอยากอยู่ไหมเมื่อพิพรมเมือ่อฤาษีคนนี้พิจารณาอยู่ก็เห็นกองเกวียนนั้นในทะเลทรายก็เลยว่าขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าชีพหายก็แปลว่าถ้าเรายังเห็นเห็นอยู่อย่าตายต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนกนก็แม้ทะเลทรายนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ น, น, นานๆสามวันเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีอะไรก็จบหมดแล้วเหมือนน ก็เลยอธิฐานด้วยภิญญาจิตว่าขอให้ลำน้ําใหญ่จงตัดขาดจากที่นี้หันหน้าไปทางกองเกวียนในทะเลทรายเถิดก็เปลี่ยนกระแสเขาเรียกว่าเปลี่ยนทางน้ำเนี่ยนะปกติมันจะไหลไปลงทะเลนี่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนให้ไหลกลับคืนสู่ทะเลทรายนัยนะ่นแหะพร้อมกับความคิดเนี่ยนะโดยอาศัยชานเป็นบาทน้ําก็ไหลจากทะเลน้ําก็ไหลจากตรงนั้ น, นไปสู่ทะเลทราย ราวกับว่ามันไลหลมาน้าน้าในคลองมันขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นมาตามลำดับเนี่ยนะต่างคนก็ต่างลุกขึ้นเพราะได้ยินเสียงน้าร่าเริงดื่มกินอาบ น, นะนะพวกให้ทั้งคนทั้งโคก็เรียบเสร็จแล้วก็เดินทางไปสู่ที่ตนต้องการนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพรหมให้ประกาพรหมฟังว่าเธอได้ให้พวกคนที่กระหาย ไปเผชิญหน้าเอาในทะเลทรายร้อนจํานวนมากได้ดื่มน้ําใดนั่นเป็นสิเป็นพรตพรตก็คือตบะนั่นเป็นตะบะเป็นศีนเป็นวัดอันเก่าของเธอฉันตามระลึกได้คล้ายกับหลับแล้วตื่นพระพุทธเจ้านึกออกอะนะเหมือนกับเพิ่งหลับแล้วตื่นมาหยกหยกอย่างนั้นแหละอันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งที่สอง น, นะรายละเอียดเกี่ยวกับพระกะพรหมมีกว่าสมัยอื่นเอกดาบทเนี่ยให้สร้างโรงมุงบังใบไม้อยู่อาศัยในหมู่บ้านชาวป่าก็สมัยนั้นพวกโจรเนี่ยโจมตีหมู่บ้านถือเอาของมีค่าติดมือแล้วก็ต้อนช้างสารต้อนวัวต้อนควายฉเฉลยศึกทั้งบัวทั้งหมาเนี่ยนะทั้งคนก็ร้องสนั่นกันไปหมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าโจรเนี่ยปล้นเอาทรัพย์สินไปแล้วก็เกณฑ์เฉลยไปด้วย ดาบดทได้ยินเสียงนั้นก็ใคร่ครวนว่าไม่มันอะไรกันก็รู้ว่าภัยเกิดขึ้นกับพวกหมู่คนพรมอรุอสีนี้ก็เลยคิดอีกว่าถ้าเราเห็นอยู่สัตว์เหล่านี้ก็อย่าได้ชีพหายไปเลยก็เลยเข้าฌานมีอภิญญารองรับในี่ยนะออกแล้วก็เนรมิตเป็นกองทัพสี่เหล่าเรียกว่าอธิฐานเป็นกองทัพใหญ่มาเลยนะนะพร้อมกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะพร้อมกับกองทันะพเสนาพลบกพลราบพล เรีว่าพลช่างพลมา้าพลราบพลรบเนี่ยมากันหมดเลยพลธนูก็มาอย่างงี้นะอ่านะครัอธิษฐานอธิษฐานด้วยอะไรด้วยอภิญญาจิตใช่ไหมเดินทางสวนมากมาประสบกับพวกโจรพอดีเลยนะ่ยนะโจรเห็นกองทัพเ น, นี่ยนะโจรมันก็ไม่ได้ฝึกฝีมืออะไรไหมทาไงดีก็พากันคิดว่าพระราชามาแล้วก็เลยทิง้งทิ้งไอ้ข้าวของที่ปล้นเนี่ยไปหมดก็หนีไปฤศีดาบทนั้นก็อธิษฐานว่า อของสิ่งของของผู้ใดจงกลับไปเป็นของของผู้นั้นนั่นแหละก็เป็นไปตามที่ท่านอธิษฐานทุกอย่างมหาชนก็ถึงความปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าบุพกรรมอันนี้ก็เป็นของท่านพร้อมเหมงอนก น, นกล่าวเป็นคาถาว่าเธอได้ปล่อยคนที่ถูกต้นของที่พึงเอาซึ่งกำลังถูกนําไปสู่ตระกูลเนื้อสายใดนั้นเป็นวัดนั่นเป็นศีลวัดเก่าของเธอ ฉันตามระลึกได้คล้ายกับคนที่หลับแล้วตื่นฉะนั้น น, นะนะก็เล่าว่าเออเนี่ยเธอเคยช่วยพวกชาวบ้านให้รอดพ้นจากโจรเนี่ยปล้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะนะอีกเรื่องหนึ่งตระกูลที่อยู่ตามแม่น้ํำคงคาในตอนบนเนี่ยกระทาสันทวมามตรีกับตระกูลที่อยู่ทางแม่น้ําคงคาตอนล่างหมายความว่าตอนเหนือกับตอนใต้เนี่ยนะแต่ว่าสัญจรไปมาโดยโด้วยอะไรโดยน้ํา พากันผูกแพผูกเรือเนี่ยนะให้ติดกันแล้วช่วยกันขนเอาของเที่ยวของกินระเบียบของหอมเป็นอันมากมาใส่แล้วก็ล่องไปตามกระแสคงคาพวกคนก็พากันเที่ยวกินฟ้อนรําทําเพลงสนุกสนานเต็มที่เหมือนขี่เหมือนกระทีเทพวิมานไปเนี่ยนะโอ้ยสบายเหลือเกินเนี่ยนะก็เหมือนกับเรือบรรทุกใช่ไหมเป็นเรือที่เรียกว่าเรือสําราญอ่ะนะล่องกันเพลิดเพลินเที่ยวฝั่งนี้มาเที่ยวฝั่งโน้นฝั่งโน้นมาเที่ยวฝั่งนี้ล่องขึ้นล่องลอ ง, ลงไปนั่นแหละมีความสุขมาก หน้าที่เกิดอยู่ในแม่น้ําคงคาเห็นก็เดือดดาลเนี่ยนะโอ้ยพวกนี้อะนะพวกนี้ไม่ทําแม้สัญญาในพวกเราเราจะให้มันตกไปในทะเลให้ได้มันน่าจะเกรงอกเกรงใจกันบ้างเนี่ยนะมาดูสิมันร้องรําทําเพลงผ่านบ้านผ่านวิมานของเราไปเรื่อยเนี่ยนะเขาก็อยู่วิมานเขาอยู่ใต้ใต้ได้น้ําแม่น้ําคงคาเนี่ยไอพวกนี้มันยังไงกันเนี่ยนะก็เลยเนรมิต ร, ร่างกายใหญ่โตแยกน้ําออกเป็นสองส่วนโผล่มาแผ่พังพาน พ่นเสียงขู่ฟู่ฟูอยู่มาหาชนเห็นแล้วก็กลัวส่งเสียงร้องดังลงไปหมดเสียงดังไปถึงฤาษีฤาษีก็ใคร่ครวนว่าคนพวกนี้ตอนแรกก็ร้องเพลงฟ้อนรำเกิดความสนุกสนั้นมาบัดนี้ร้องให้ชิน้นร้วงกลัวตายมันอะไรกันก็มองเห็นพญา น, นาคเข้าก็บอกเมื่อเราเห็นอยู่สัตว์เหล่านี้อย่าได้ชิพหายเลยเนี่ยนะกรุณาหน้าดูเลยนะฤาษีคนนี้เขาการุณาน่าดูมีหน้านะจึงเกิดเป็นพรหมได้นานเหลือเกินเนี่ยนะตั้งห้าร้อย กากเนี่ยเพราะแสดงว่าพื้นฐานเขามีเมตตามีกรุณามีเพื่อนเขาเรียกว่าสงสารสรรพสัตว์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็เข้าชานเมียพิญญารองรับละร่างของดาบทแปลงเป็นครุฑเนี่ยนะแล้วก็บินอาากอกมาเขเอ้ยนกกระ ง, งูเนี่ยนะนกตัวใหญ่ขนาดเอ้งูมตัวใหญ่ยังไงเห็นนกบินเหี่ยวเฉียวมาก็เข้ารู้แล้วเนี่ยนะไปอยู่แล้วเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นพญานาก็เลยกลัวหุบพังพานดำมุดน้ําลงไปกลัวนกมันจิกเอาเนี่ยนะก็เคยเห็นว่านกเนี่ยมันจิกจิกงูเนี่ยมันจิกจริงๆรนะก็คือแบบนกธรรมดาเนี่ยอย่างในสารคดีที่เขาไปเก็บภาพมาเนี่ยนะมันก็จิกคอแล้วมันก็ขยุมเนี่ยนะทีนี้เอกไอครุดเนี่ยมันฉลาดกว่านกธรรมดาทั่วไปมันก็จับขาข้างหนึ่งมันจับหัวขาอีกข้างก็จับท้องก็จับหางแล้วมันก็เอาบินไปนี่แหละจิกมันเปลวกินได้เลยอ่ะ บินไปเนี่ยบินไปจิกกินไปบินไปจิกกินไปเนี่ยนั้นทำได้เลยทีนี้พวกครุดเนี่ยพวกหน้ามันก็ฉลาดบางช่วงเนี่ยนะมันก็รู้ว่าครุดมาปั๊บมันก็รีบกลืนหินก้อนใหญ่ๆโตๆไว้ในท้องเต็มไปหมดมันครุดจับงูปั๊บเนี่ยนะครุดจับหน้าที่คอเที่หัวมันก็ยกไม่ขึ้ น, นก็ต้องปล่อยตอนหลังเนี่ยน้ารู้ทนันก็เลยจับหางขึ้นจับหางขึ้นมันก็เลยพวกหินเนี่ยมันก็เลยลอยออกไปหมดแล้วก็จับหัวอีกข้างหนึ่ง แล้วก็จิกกินสบายเนี่ยแล้วก็โยนซากทิ้งในทะเลเนี่ยนะก็เรียกว่างูกับครุดเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันประจำเหมือนน่หน้ากับครุดเนี่ยเหมือนกับนกกับงู น, นะนกกับงูเ น, นะ น, นี่ยมันประจําเลย น, นะทีนี้แม่นกมันบินได้งูบินไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็แพ้แพ้นกหมด น, นะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็อันนี้พญา น, นาคกนนะ็เห็นครุดบินมาทางนี้ก็หลบแล้วเนี่ยนะ เรื่องอะไรจะอยู่ไม่รู้คลุดร้อมหรือครุดแท้ยังไงก็ไม่ทราบนะถ้าอยู่เดือดร้อนแน่มหาชนก็ถึงความสวัสดีเพราะฉนนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยชี้บทพรกรรมของพรหมนี้ให้ฟังว่าเธอได้ใช้กําลังครอบงําเข้าแก้เรือที่ถูกนาคโหดร้ายยึดเอาไว้ในกระแสแม่น้ําคงคาเพราะงานของคนนั้นอ่ะเพราะเขามีงานกันเนี่ยนะนั่นเป็นพราะนั่นเป็นศีลวัดเก่าของเธอชั้นระลึกได้คล้ายกับ คนที่หลับแล้วตื่นคือเหตุการณ์ที่น่ามาประทุษร้ายเนี่ยนะบางทีเนี่ยอย่างสมัยปัจจุบันเอ๊ะไม่เห็นมีเลยว่างั้นบางคนก็คิดว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีที่จริงแล้วปัจจุบันนี้ก็มีแต่เรามองเห็นไหมล่ะเหตุการณ์ที่เรือจมเนี่ยนะเรือจมเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยที่ประเทศบังกลาเทศเนี่ยนะเรือจมเนี่ยตายไปหลายร้อยคนเลยนะมันทุกเรือกันเรือเนี่ยนะเป็นเรือบรรทุกจมกันตายกันหลายร้อยคนเลย คือมันมันเป็นไปได้ยังไงว่ามันไม่น่าจะจมกันได้ง่ายๆใช่ไหมในสมัยใหม่ไฮเทคกันขนาดนี้แต่ก็จมเนี่ยนะอย่างในทะเลเนี่ยเรือก็จมกันเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเนี่ยนะซึ่งเรารู้ได้อย่างไงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดจากอะไรบางทีพายุลมหมุนมาแบบง่ายๆอย่างนั้นแหละเราซึ่งเราแทบไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์อันนี้มาจากอะไรเพรามันจะมีสัตว์ตายเนี่ยทีละตายเป็นหมู่ตายเป็นพวกเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยซึ่งบางทีเราก็มีแต่ตาเนื้อมองเห็นแก่ภาพที่ ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้มีตาทิพย์เพราะว่าพวกหน้าทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มีอนุภาพเป็นทิพย์เนี่ยนะมีอนุภาพเป็นทิพย์